ชยันลงความเห็นเชษฐาและดารินก็เห็นพ้องด้วยจอมพรานไม่คัดง้างหรือสนับสนุนเช่นไรเพียงแต่บ่นว่าเขาเสียดายที่ปืนเหล่านั้นจะต้องนำไปฝากไว้ที่หล่มช้างไม่สามารถจะนำติดตัวไปด้วยได้ทั้งหมดซึ่งก็ยังไม่แน่ว่าจะสูญหาอย่างใดหรือไม่ในเมื่อกลับมาแต่คณะนายจ้างของเขาทั้งหมดไม่แสดงความกังวลในข้อนั้นในการเดินป่า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 ชายยานงัดอปืนสั้นขนาดจุด44แมกนัมแบบซิงเกิลแอคชั่นขึ้นมาสมกระบอกเป็นขนาดที่มีลำกล้องยาวหกนิ้วและมีขนาดจุดสหอยู่กระบอกหนึ่งกระทัดรัดสวยงามซึ่งระพินคิดว่ามันน่าจะเป็นปืนสั้นติดตัวของหม่อมราชวงศ์เชษฐาเมื่อชายยานส่งมาให้เขาก็รับมาชมอย่างคนที่มีนิสัยรักปืนทั้งหลายผมเตรียมมาสาหรับพวกเราโดยเฉพาะ ชัยันบอกจุดสามห้าเจ็ดกระบอกนั้นเป็นของดารินเขาถนัดมันมากผมเองกับเชษฐาอันที่จริงก็ไม่ใช่นักยิงปืนสั้นชั้นดีอะไรนักที่ติดมาด้วยก็คิดว่ามันอาจช่วยเราได้ในนาทีคับขันที่สุดสำหรับคุณที่ถามเมื่อกีนนี้ก็ต้องการทราบว่าคุณใช้ปืนสั้นเป็นประจำหรือเปล่าถ้ามีอยู่ก่อนแล้วและเป็นปืนที่ถนัดมือคุณก็แล้วไป แต่ถ้ายังหวังว่าคุณคงจะไม่รังเกียจที่จะรับเอาจุดสี่สี่ไปซักกระบอกหนึ่งเราทั้งหมดเตรียมมาสำหรับเป็นของขวัญแก่คุณโอเป็นพระคุณอย่างสูงทีเดียวครับเขา อ, อุทานออกมาเบาๆมองไปยังคณะนายจ้างทุกคนด้วยสายตาแสดงความขอบคุณรับปืนสั้นกระบอกหนึ่งมาเดาะช่างน้าหนักในมือแล้วง้างนกในจังหวะฟรีหมุนลูกโมเล่นเชฐิฐาส่งกล่องลูกปืนมาให้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 จอมพรานหัวเราอหึอห่ในลำคอแกะกล่องกระสุนออกหยิบลูกขึ้นมาบรรจุใส่รังเพลิงทีระนัดจนครบแล้วคว้าไฟฉายร่าสัตว์ขนาดแปดท่อนสองปราดออกไปทางหน้าตางทุกคนเข้ามายืนมุงดารินยิ้มหยันหยันเดินกอด อ, อกเข้ามาดูอยู่ด้วยระพินสายกราดไปมาแล้วส่องจับไปยังลูกมะขิดป่าที่ห้อยระยะอยู่บนต้นสูงใหญ่ห่างออกไปประมาณยสบห้าหลาง้างนกขึ้นช้าช้า ส่องปืนออกไปปืนสั้นไม่เหมือนปืนยาวนานในพรานแต่ได้ข่าวว่าคุณเคยเป็นนายตำรวจตะเวนชายแดนมาก่อนไม่ใช่หรือเสียงใสของดารินดังขาดขึ้นรพินชะ ง, งักคู่ปรับคนสวยของเขาเล่นงานเขาเข้าให้อีกแล้วร้ายเสียจริงๆหม่อมราชวงศ์หญิงคนนี้เขาคิดจอมพรานยิ้มเลงต่อไปแล้วล้านไก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 เชษฐาชายยันตบไหลเขายิ้มยิ้มแต่ดาลินพูดอร่อยหมาอีกว่าศิละปะ ก, การยิงปืนยาวกับปืนสั้นมันไม่ยักเหมือนกันนะคุณตัดสินถูกแล้วที่ใช้มีดเดินป่าแทนปืนสั้นติดตัวเขาไม่ได้ตอบคำใดๆทั้งสิ้นนอกจากหัวเราะพร้อมกับพูดดาลินคว้าจุดหของหลอนขึ้นมาบรรจุกระสุน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 แต่ชา ย, ยันเอียงหน้าเข้ามากระซิบกับจอมผ่านเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วที่คุณยกให้ ย, ยน้อยสิคนถ้าคุณขืนแข็งแล้วก็แม่เหี้ยวไม่มีที่สิ้นสุดหรอกขนาดทำอะไรใครไม่ได้เลยนอนดิ้นปัดปั ด, ปดร้องไห้กรีดกดก็เอาแกขมินคุณเรื่องที่คุณพยายามทักทวงไม่ให้แกไปด้วยนั่นแหละยอๆเอาใจสินหน่อยเดี๋ยวก็ดีเองนิสัยของน้อยเป็นงี้เอง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 แต่อย่ามาหลอกผมกับเชิดฐาหน่อยเลยเรามันผู้ชายด้วยกันตามทันกันหลอกนะ่ะค่าของวันรุ่งขึ้นมันเป็นอาหารเย็นร่วมกันมื้อสุดท้ายที่จะมีขึ้นได้นะบ้านพักหนองน้ําแห้งของพรานใหญ่ระพินทุกสิ่งทุกอย่างในการเดินทางได้ถูกจัดเตรียมพร้อมสับแล้วกำหนดเริ่มต้นออกเดินทางคือย่ารุ่งของวันรุ่งขึ้นระหว่างที่ทุกคนนั่งจิบกาแฟสนทนากัน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 โดยปกติแล้วผ่านพื้นบ้านทั่วไปไม่เคยเรียกเขาเช่นนี้เลยเขา อ, อาจมีธุระสำคัญอะไรกับคุณก็ได้หม่อมราชวงเชษฐาพูดขึ้นเบาๆจอมพรานพยักหน้ากับคนของเขาบอกว่าให้เขาขึ้นมาบนนี้สบิบุญคำบุญคำรับคำแล้วผ่าลงไปเพียงอึดใจเดียวก็นำร่างของใครคนหนึ่งก้าวเข้าประตูห้องมา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 มีรูปร่างและใบหน้าคมสันเท่าชจ้าหนุ่มร่างยักษ์ผู้นี้มาก่อนเลยอายุของชายผู้นั้นประมาณยี่สิบแปดถึงสามสิบปีเป็นอย่างสูงแต่งกายแบบพรานกเะเลียงอย่างที่เห็นเห็นอยู่ทั่วไปในมือถือปืนวินเชสเตอร์ขนาดจุดสี่สี่สีู่แบบโบราณกระบอกเก่าคล้ำค่าอันเป็นปืนบนหลังม้าสมัยที่ใช้กันในต้นศตวรรษที่สิบเก้าใบหน้านั้น คลับคล้ายครับคลาตอดสายตาของรับพินยอย่างไรชอบกลว่าจะเคยเห็นมาก่อนแต่ขณะนี้เขานึกไม่ออกหนุ่มกะเรี่ยงผู้นั้นเมื่อก้าวเข้ามาแล้วก็สุดกายลงนั่งขัดสมาธิกับพื้นวางปืนไว้ข้างๆตัวยกมือไหว้เคารพมายัางจอมพลานแล้วก็นั่งนิ่งอยู่ด้วยอาการสงบสำรวมแก่ชื่ออะไรแง่า ย, ายเป็นเสียงห้าต่ำมีกังวาน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 แต่แล้วเมื่อค่ายมีดำถูกขยี่แรมพินาศตรงจริงๆในวันรุ่งขึ้นเขาก็หวนคิดไปถึงคำพูดของเจ้าหนุ่มกระเรียงคนนั้นได้และอย่างจำได้จนกระทั่งบัดนี้เดี๋ยวนี้หมอนั่นเข้ามานั่งอยู่ตรงหน้าเขาเดี๋ยวนี้เองอ้อ oh, ฉันจำแกได้แล้วแง่ทายระพินพูดออกมาด้วยเสียงเครียดกลิมจ้องนิ่งไปยังกะเลียงผู้นั้นเสียดายเหลือเกินนะ ที่ฉันได้พบแกเมื่อฉันออกจากหน้าที่ราชการแล้ววันนั้นแกเข้าไปสอดแนมใช่ไหมแล้ววันรุ่งขึ้นแกก็จะต้องเป็นคนหนึ่งในกองกำลังของพวกโจรกระเหลี่ยงบุกเข้าทำลายค่ายตำรวจตะเวนชายแดนแง่าสายยิ้มก้มศรีรษะรับอย่างกล้าหาญเป็นจริงตามที่ท่านพูดครับผู้กองเอาละแกมาหาฉันด้วยธุระอะไรคิดจะปนสถานีกักสัตว์ของฉัน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 เสียงห้ารึกนั้นกล่าวต่อมาถูกแล้วแกจะมาขอสมัครไปกับเราด้วยกันมังชายยันรีบถามมาโดยเร็วครับผมขอสมัครเป็นคนรับใช้ของท่านในการเดินทางครั้งนี้คนหนึ่งทุกคนต่างหันมามองดูรพินเหมือนจะขอความเห็นพรานใหญ่นิ่งเฉยตาหลีจับนิ่งอยู่ที่แงสายตลอดเวลาเหมาะไหมคุณรพิน เรากำลังขาดคนอยู่คนหนึ่งพอดีชายยันร้องถามมาอย่างริงโรดแต่จอมพรานคงพินิษสำรวจอยู่ที่เจ้าหนุ่มกะเรียงอยู่เช่นนั้นครู่ใหญ่เหมือนจะค้นหาอะไรที่แอบแฝงอยู่ในที่สุดเขายิ้มกว้างๆหันไปพูดเป็นภาษาอังกฤษกับนายจ้างของเขาเพื่อป้องกันไม่ให้แง่ายเข้าใจเล่าคร่าวๆให้ฟังถึงว่าเจ้าหนุ่มกะเรียงผู้นี้เคยมีพฤติการไม่น่าไว้ใจเช่นไรมาในอดีต เพราเคยเป็นทหารโจรกะเรี่ยงทุกคนเมื่อได้ทราบก็พากันเงียบงันไปแง่าสายแกนึกว่าแกจะใชุ้ใยเก่าๆมาเล่นกับฉันได้อย่างสะดวกง่ายดายอีกหรือไหนลองบอกมาสิว่ากองโจรกะเรี่ยงใช้ให้แกเข้ามาเป็นสายโดยขอสมัครมาเป็นคนใช้ของเราในระหว่างเดินทางแล้วก็จะดักป้นเราตอนไหนส่วนตัวแกเองล่ะแน่ใจหรือว่าในครั้งนี้จะรอดไปได้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 แต่ทุกคนก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรพินในการสอบซักเจรจาพฤติการของแกลึกครับไม่น่าไว้วางใจเลยแงาซายจอมผ่านพูดตรงตรงไหนลองเล่าประวัติของแกไปให้ละเอียดซิผมชื่อแงาซายเป็นชาวกะเหรี่ยงแต่ก็ไม่ใช่กะเหรี่ยงแท้นักถิ่นฐานเชื้อชาติของผมเป็นชนอีกเผ่าหนึ่ง ใช้ชีวิตอยู่อย่างดินแดนไกลโพ้นไปทางด้านเหนือผมไม่มีที่อยู่หลักแหล่งแน่นอนตลอดเวลามาเร่ร่อนพนเจนจรไปทั่วผมได้จากดินแดนอันเป็นแรงเกิดมาตั้งแต่ยังเป็นทารกเล็กๆครั้งหนึ่งผมได้เป็นทหารของนายพลอองซานประจํากองร้อยเสือดาวภายใต้บังคับบัญชาของผู้บังคับกองยินตองที่ถูกฝ่ายของท่านเรียกว่าเป็นกองโจรกะเหลี่ยง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 จ้องนิ่งอยู่ที่แงซายอย่างประหลาดใจพับผาสิไอหมอนี่มันจะต้องซ่อนคมอย่างร้ายทีเดียวแต่ถึงยังไงก็บอกตามตรงว่าฉันชักถูกชะตากับมันยังไงพิ่กนชัยยันร้องออกมาบ้างอย่างนิสัยเปิดเผยระหว่างที่ระพินยังนิ่งด้วยอาการพิเคราะห์อยู่หม่อมราชวงดาลินก็ปราศัยกับหนุ่มกระเลี่ยงมายิ้มยิ้มเป็นภาษาไทยว่าแงซ า, ายเธอเคยเรียนหนังสือที่ไหนมาบ้างหรือเปล่า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 พอปลายสงครามก็ถูกส่งมาให้มากระโดดร่มเข้ายึดพม่าร่วมกับกองทหารอังกฤษทั้งหมดแทบจะพะงะไปด้วยความตรึงพึงเพิดในคำบอกเล่าอย่างเรียบเรียบสงบสงเง่ยมของแง่ทรายโวชายยันร้องออกมาร่านห้องทำตาเหลือกจ้องหน้าหนุ่มกะเลียงอย่างงงงันที่สุดและวพินเองก็ตะรึงคอแข็งไปทุกคนประมาณการชาวดงผู้มาสมัครเป็นคนใช้ผู้นี้ผิดไปหมด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 งั้นแกก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษได้นะสิสีหน้าอันสงบสํารวมของแง่ทายมิได้เปลี่ยนแปลงใดๆเลยในขณะที่ตอบเป็นสำเนียงที่ชัดที่สุดเท่าที่ลิ้นของชาวเอเชียจะพูดได้มาว่าก็พอพูดได้บ้างครับท่านเป็นไงชายยันหันไปมองดูหน้าเชษฐาและดาลินคลางออกมายังไม่ทันจะเดินทางไปสู่ความรีรับพิสดารทั้งหลายเลย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 เป็นลมดีกว่าเราว่าแล้วชายยันก็ยกมือขึ้นตบหน้าผากตนเองดังเพียะเธอทำให้พวกเรางงและมหัศจันใจมากนะแง่ทรายฉันสงสัยตั้งแต่ฟังเธอพูดแล้วเธอพูดอย่างคนเจริญไม่ได้พูดอย่างชาวป่าถึงแม้รูปลักษณะภายนอกของเธอจะเป็นชาวป่าก็ตามรพินภัยวันหัวเราะหึห่ยพูดมาตําๆ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 ฉันน่าจะจับแกส่งให้สารทหารพิาพากษายิงเป้าเสียจริงๆแง่าสายยิ้มกว้างต่ําเดิมดูบริสุทธิ์เหมือนรอยยิ้มของเด็กไม่ได้โต้ตอบคําใดทั้งสิ้นสายตาของเขาที่กราดไปรอบๆเต็มไปด้วยอาการวิงวอนขอร้องหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินมองไปทางจอมพรานเอ่ยขึ้นเหมือนจะเตือนคุณยังไม่ไดีบอกเขาเลยว่าจะยอมรับเขาให้ร่วมทางไปกับเราหรือเปล่า ผมขอมอบหน้าที่ในการพิจนารณนี้ให้แก่คุณชายเชษฐาและพวกคุณทุกคนครับรับผิดตอบเรียบๆ เ, เราอยากจะขอความเห็นจากคุณนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเชษฐาว่าเต็มไปด้วยความรอบครอบสุ ข, ขุมตาจับนิ่งมายังจอมพรานอย่างพยายามจะอ่านความรู้สึกชายยันก็เสริมว่าถูกแล้วหน้าที่ในการพิจนารณาควรจะเป็นของคุณผู้เปรียบเสมือนกับตันเรือ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 ผมเชื่อว่าเขาคงไม่มีแผนทุจริตเป็นพิษเป็นภัยอย่างใดต่อคณะของเราหรอกครับนั่นสิควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างน้อยที่สุดเขาก็เคยช่วยชีวิตนายตำรวจตะเวนชายแดนไทยค่ายแต่คนหนึ่งไว้เสียงดาลินเปรยออกมาเบาๆเจตนาจะให้ระพินได้ยินเมื่อเขาจำเรืองมาเขาพบกับหางตาจำเรืองอยู่ก่อนแล้วของหญิงสาวหล่อนทําเป็นเมินไปเสียริมฝีปากพลายไปด้วยรอยยิ้มเ ย, ย้ยยั่ว หม่อมราชวงศ์เชษฐาลุก ข, ขึ้นจากที่นั่งเดินมายังแง่ทรายผู้นั่งอยู่กับพื้นแล้วยักหน้าออกคำสั่งให้หนุ่มกระเลียงยืนขึ้นแง่ทรายปฏิบัติตามคำสั่งเมื่อเขายืนขึ้นเต็มส่วนสัตว์ก็มองเห็นได้ว่าเป็นชายจะกรร่างงามเยี่ยมคนหนึ่งยากที่จะหาได้ในเผ่ากระเรียงอันเป็นชาวดงมีรอยแผลเป็นอันเกิดจากหอกหรือมิฉะนั้นก็ดาบปลายปืนทางเฉียง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 chào bạn